ที่ก็ฟังธรรมะไปนะพระก็ตักอาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายญาติโยมพวกเราก็ฟังธรรมะเพื่อเป็นอาหารใจนะญาติโยมมาวัดก็มาถวายเจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ไม่มีอะไรที่จะให้นอกจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เปิดเผยได้แสดงวันนี้เนี่ย ไม่ต้องบอกนะใครๆก็รู้ว่าเป็นวันออกพรรษานะเด็กน้อยนะก็คงรู้แล้วนะวันออกพรรษาพอเป็นวันที่ใครๆก็รอคอยกันนะรอคอยมาตั้งแต่โนอโนเดือนที่แล้วนะเริ่มจุดประทัดจุดตะโพกกันตั้งตังแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะรอว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีนะเมื่อวานนี้มาเลืนนี่ก็จุดกันใหญ่นะก็เป็นถือว่าทุกคนก็มาด้วยความยินดีนะ สีหน้าแจมา่มใสใจเบิกบานนะที่เบิกบานที่มีความสุขเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีลูกหลานนะกลับมาเยี่ยมบ้านนะเพราะว่าคนไทยเราเมื่อถึงวันเข้ารรษาก็ดีออกภรษาก็ดีสงกรานก็ดีนะลูกหลานที่อยู่ไกลไปทํางานต่างจังหวัดนะถ้ากลับมาได้ก็จะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมปู่ย่าตายายบางทีก็มาเยี่ยมลูกนะ ก็ถือว่าได้มาพบกันพร้อมหนะ้าก็มีความสุขแต่ว่าความสุขส่วนหนึ่งนะก็เกิดจากการที่ได้มาฉลองที่ได้มาร่วมกันทําบุญในเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษานี่ถือว่าเป็นเทศกาลการทําบุญนะที่ยาวนานนะสเดือนเมื่อทำํำเมื่อเทศกาลนี้นะ สิ้นสุดลงนะก็มีความดีใจที่ดีใจนี่เพราะว่าได้ร่วมกันทําบุญจนสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีแต่อย่าดีใจเพราะว่าจะได้หยุดทําบุญนะถ้าดีใจพะหยุดทําบุญเนี้ยอันนี้ไม่ดีนะเพราะว่าการทําบุญเนี้ยมันต้องทาไปเรื่อยๆออกพรรษาแล้วเนี่ยก็ยังต้องทําต่อไปเพราะว่าคนเรานี่ ขาดบุญไม่ได้เหมือนกับร่างกายเราขาดน้ำขาดอากาศขาดข้าวนี่ไม่ได้นะออกพรรษาก็จริงนะแต่ว่าอย่าให้ออกจากธรรมะอย่าให้ออกจากบุญกุศลนะใครที่เข้าใจว่าออกจากออกพรรษาแล้วก็คือนะไม่ต้องทำบุญแล้วนะไม่ต้องรักษาศีลแล้วนี่อันนี้อันตรายด้ยนะเพราะว่า คนเราเนี่ยมันมีทั้งกายและใจกายนี่ก็ต้องการข้าวปลาอาหารส่วนใจต้องการอะไรถ้าไม่ใช่บุญกุศล น, นะมีแต่กายแต่ไม่มีใจนะมันก็เหมือนกับว่ามีชีวิตแค่ครึ่งเดียวมีข้าวกินแต่ว่าไม่มีบุญกุศลหล่อเลี้ยงใจนะมันก็เหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่แค่ครึ่งเดียวนะถ้าจะเรียกให้หนักกว่านั้นอาจจะเรียกว่าตายทั้งเป็นก็ได้นะอยู่เหมือนตายนะ คนที่มีข้าวกินมีลมหายใจแต่ว่าไม่มีบุญกุศลหล่อเลี้ยงใจออกพรรษาแล้วนะเราก็ชื่นชมยินดีที่เราได้ร่วมกันทำบุญจนสำเร็จรุ่งรวงไปด้วยดีนะแต่ว่าอย่าดีใจเพราะว่าพอไปเข้าใจว่าการทำบุญยุติลงสิ้นสุดลงนะอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะ ออกพรรษาแล้วเราก็ยังต้องทำบุญกันต่อไปยังต้องทำความดีกันต่อไปนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันคือชีวิตนะบุญเนี่ยมันทำให้จิตใจแจ่มใส ช, ชื่อชเบิกบานถึงแม้ว่าจะอาจจะลดจากการถือศีล8มาเป็นศีลห้าก็ยังดีพอออกแม่ออกหลายคนนะก็มาจำศีลกันนะทุกทุกศีลมาสมาทานศีล8 ออกพรรษาแล้วนะก็มีกิจการงานนะต้องทำมาหากินอาจจะไม่สะดวกในการสมาทานสี่แปก็สมาทานศีลห้าก็ขอให้อย่าต่าไ้กว่านั้นนะออกพรรษาแล้วก็รักษาศีลให้ครบนะทั้งห้าเพราะว่าศีลนั้นเนี่ยนะมันเป็นไม่ใช่เครื่องหมายแห่งความเจริญเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นช่วย รักษาชีวิตจิตใจให้ปลอดพ้นจากอันตรายให้มีความสุขด้วยศีเลนสุกติงยันติสีเลนโปกสัมปทาศีเลนนิพุติงยันติตัตสมาศีลังวิโสทะเยนี่คืออั น, นิี้ส์ของบุญอันนี้ส์ของศีล น, นะศีลทําให้เกิดสุขศีลทาให้เกิดโพวกขัพย์นะศีลทําให้เกิดนะเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานคนเราทุกคนก็ต้องการความสุขความเจริญ น, นะ ความสุขความเจริญนี่มันไม่ได้มาจากทรัพย์สินเงินทองคนมีทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่เจริญก็ได้นะเพราะว่าไปโกงเข้ามาไปแย่งชิงเข้ามาสุดท้ายปลายทางก็ติดคุกหรือบางทีก็ถูกเขาแก้แค้นตายนะไม่ได้ใช้ทรัพย์นะบางคนไปโกงเงินมาหลายสิบล้านหลายร้อยล้านบาทนะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปซ่อนไว้ จะไปเก็บไว้ในธนาคารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะรู้ก็ต้องไปเอาเงินสดไปเก็บไว้ในบ้านเงินเนี่ยเป็นสิบสิบล้านนะหลายสิบกิโลเนี่ยเก็บไว้ในบ้านจะามาใช้ก็ใช้ไม่ได้มันเอามาใช้ก็ใช้ได้ทีละพันทีละหมื่นถ้าใช้เป็นแสนนี่ก็มันพิรุษจับตาวันดีคืนดีโจรก็เข้ามาในบ้านโอ้ขนเอาเงินสดเอาธนบัตรไป นะตำรวจจับได้ตำรวจถามว่าไอ้เงินเนี่ยมาจากไหนเนี่ย8ดล้านสิบล้านเนี้ยเงินสดส ด, สดเป็นแบงก์ทั้งนั้นก็เปิดเผยความจริงว่าโอ้ยในบ้านเนี้ยคนคนนี้มีเงินเป็นหลายสิบล้านอยู่ในบ้านตำรวจก็เลยไปจับนะเพราะว่าคนมันมีเงินสดในบ้านนี่มันมันต้องมีพิรุษปอกว่าเจ้าของบ้านนี่เป็นประหลัดกระทรวงนะประหลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะถูกดำเนินคดี นะแล้วก็เสียชื่อเสียเสียหายนะเนงินที่โกงเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้มันเป็นเงินคอร์รัปชันนะติดเงินที่รับจ้างรับสินบนนะไม่ได้ใช้แถมติดคุกติดตารางนะได้รับความเดือดื้อร้อนใจลูกหลานพ่อแม่ก็พลอยเสียชื่อไปด้วยเพราะว่านาบสกุลเดียวกันนะอุตส่ารับราชการมาจนเป็นปลรกระทรวงแล้วนี่มันติดคุกติดตารางนี่มันเสียหายมากนะ อันนี้เรียกว่าเป็นโทษของการไม่รักษาศีล น, นะที่จริงง่ายๆนะเพียงแค่เรารักษาศีลห้าไม่ครบเช่นขาดศีลข้อห้าไปข้อหนึ่งกินเหล้าเมายาเนี่ยแค่นี้นะมันก็หาความสุขความสบายไม่ได้แล้วเพราะว่ากินเหล้าเมาไมา่ก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งกับคนในบ้านบางทีก็ต่อยตีลูกตบตีเมีย ครนะอบครัวแตกแยกเสร็จแล้วขับรถขับลาไปเ ม, มาไม้ประสบอุบัติเหตนะุไปชนคนเขานะหรือไปชนหลังสิบล้อตายพิการหรือถึงไม่พิการก็ต้องจ่ายนะต้องจ่ายเงินจ่ายทองเป็นค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวเองและของคนอื่นเผลอไปชนต้นไม้แหกโค้งชนต้นไม้ตกคูตายนะอันนี้นี่ มันช่วยไม่ได้นะบางทีแม้จะมีของดีก็ช่วยไม่ได้ของดีเพอเพอนี่ทำให้หนักเข้าไปอีกนะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นนักศึกษาเรียนหมหาวิทยาลัยชั้นดีของประเทศไทยโรงเรียนอินเตอร์นหมหาวิทยาลัยระดับอินเตอร์วันหนึ่งก็เลี้ยงการกินเหล้าเมายาขณะที่กลับบ้านนี่มันอาเจียนอาเจียนเลยต้องแวะข้างทาง ข้างทางนี่มันมีคูน้ําก็ลงไปนะเพื่อไปอาจเจียนมันอ้วกเนี่ยขณะที่อาจเจียนอยู่ปรากฏว่าสร้อยที่แขวนสมเด็จวัดละคังตกลงไปนะพระเนี่ยนะสมเด็จวัดละคังนี่แพงนะแล้วก็ถือว่านี่ศักดิ์สิทธิ์นะปกป้องอันตรายได้ตกลงไปในคูน้ําทํายังไงเสียดายลงไปลงไปงมเพื่อนก็บอกว่าอย่าทำอย่าทำเพราะว่า ขูน้ำมันลึกนะอันนี้กรุงเทพนะชานเมืองแถวแจ้งวัฒนะขูน้ำมันลึกนะเมาเนี่ยไม่ฟังอีราขายอีลมก็ลงไปลงไปงมเอาพระเครื่องปรากฏว่าไม่ขึ้นนะก็ตายในนั้นแหละนี่ตายเพราะอะไรนะตายเพราะเมาคือถ้าไม่เมาเนี่ยมันก็คงไม่มันก็ค ง, งไม่จมน้ำเหมือนกันหรอกหรือถ้าไม่เมาเนี่ยมันก็คงไม่อ้วกตั้งแต่แรกแล้วนี่เมาเนี่ยก็เลยอ้วกอ้วกเสร็จ พักเครื่องเนี่ยนะพระสมเด็จนี่อย่างดีนั่นราคาเป็นล้านช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้บางทีตายเพราะพักเครื่องด้วยเพราะถ้าปล่อยวางพักเครื่องซะก็คงไม่ตายนะนี่ทํามเมาแล้วนี่พักเครื่องนี่นอกจากจะไม่ช่วยแล้วนะบางทีอาจจะเป็นตัวถ่วงทําให้ตายเร็วเข้าก็ได้เพรนั้นจะไปคิดว่าว่ามีพักเครื่องมีของดีแล้วจะช่วยรักษาชีวิตให้ปลอดภัยนะมันจะปลอดภัยอย่างแท้จริงนี่มันต้องมีศีล น, นะ มีสินเสียก็ต้องรู้จักทําบุญทําทานรู้จักภาภาวนานะการทําบุญที่ถูกต้องก็คือการให้ทานอย่างที่พวกเรามาให้ทานนี่ก็ดีแล้วแล้วก็อย่าลืมรักษาศีนรักษาให้ครบแล้วก็ภาวนาด้วยให้จิตใจมีนะมีเมตตากรุณามีปัญญามีสตมิมีความรู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้แหละนะมันจะช่วยปกป้องอันตรายได้อย่างที่พระสวดเมื่อสักครู่นี่นะพระสวดภาวุง พระภูนี่คืออะไรก็คือชัยชนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในชนะอุปสรรคชนะอันตรายหลายอย่างรวมทั้งคนมุ่งร้ายไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นคนที่มุ่งร้ายเช่นพระองค์คุลิมานนะเป็นจอมโจรที่มีชื่อเสียงรวมทั้งมาร น, นาบนะรวมทั้งพรมแล้วก็ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะ ชัยชนะแปประการของผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้ชนะด้วยอิทธิฤทธิ์ไม่ได้ชนะด้วยปาฏิหารนะแต่ชนะด้วยคุณธรรมชนะด้วยเมตตาด้วยขันติด้วยปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็มีกันทุกคนสร้างขึ้นได้ให้เจริญงอกงามถ้าต้องการความสุขความเจริญนะอย่าไปอย่าไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยไปไม่ต้องไปอ้อนวอนบ่นบานสารกล่าวนะความเจริญ การที่จะเอาชนะอันตรายอุปสรรคทั้งหลายได้นี่อาศัยธรรมะนะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นะะธรรมะเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาสร้างกันทํากันเฉพาะช่วงข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ยังต้องทำต้องทําไปตลอดชีวิตเหมือนการเรียนนะการเรียนนี่ไม่ใช่ว่าปิดเทอมแล้วได้ปริญญาแล้วก็จบนะคนที่คิดว่าได้ปริญญาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วคิดว่าจบการศึกษา ไม่ต้องเรียนรู้อันนี้คนโง่นะเพราะว่าเวลาผ่านไปสิปีความรู้ที่เรียนมามันก็ล้าหลังไปแล้วคนเรามันต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตถึงแม้จะปิดเทอมยังต้องเรียนอยู่นะแม้จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือจบมันแล้วออกพรรษาแล้วก็เหมือนกันนะก็ยังต้องทําความดีให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาฝึกฝนจิตใจนะให้มีความเจริญงอกงามอนะถ้าเรารักษาศีลได้นะแม้แต่ แค่ศีลแค่ศีลอย่างเดียวนี้นะก็เป็นที่นับหน้าถือตาแล้วเป็นที่เคารพนะอย่างพ่อออแม่ออเนี่ยเวลามาถือศีลที่วันนี่นะคนในบ้านก็ต้องเอาของมาเอาอาหารมาส่งเอาอาหารมาให้อย่างเดียวไม่พอนะต้องไหว้ด้วยนะไหว้เพราะไหว้ไม่ได้ไหว้อย่างอื่นเลยไหว้ศีล น, นะไหว้ความดีที่เราได้มีหรือเราได้สร้างอยู่ในใจนะ เมื่อเราไป็ผู้มีศีลนะก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์ที่กราบไหว้นะเทวดาก็กราบไหว้เทวดาก็เคารพเหมือนกันแล้วเทวดานี่แหละนะก็จะสามารถช่วยรักษาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยได้แต่ว่าก็ไม่ครั้งไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับความดีที่เราได้ทําที่เราได้บําเพ็ญนะขันติเมตตากรุณาปัญญานะสัจจะความซื่อตรงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสร้าง นะโดยมีศีลเนี่ยเป็นตัวหนุนเป็นตัวเป็นฐานเราก็จะแคล้วคลาดจากอันตรายปลอดภัยจากอุปสรรคทั้งปวงนะแม้มีโรคนะก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยแม้เสียทรัพย์ก็เสียแต่เงินนะแต่ว่าใจไม่เสียนะแถมได้ปัญญานะให้เห็นว่าเออไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะแม้แต่ทรัพย์ที่เราเชื่อเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงนะ เกิดปัญญาขึ้นมานะเข้าใจสัจธรรมอันนี้ยิ่งช่วยทําให้คล้าวคลาดจากอันตรายมากขึ้นหมายความว่าไม่ทุกข์นะอะไรเกิดขึ้นก็มันก็เป็นเรื่องนอกกายเป็นเรื่องกายแต่ว่าใจไม่กระเทือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ขอให้ยังคงตั้งหน้าตั้งตานะทําความดีรักษาศีลทำบุญกุศลกันต่อไปนะเพื่อให้ชีวิตเจริญงอกงามเพื่อให้ลูกหลานนะ ได้รับความสุขความเจริญพรรษานี้นะก็มีพระมาะอยู่หลายแม่ชีก็เยอะนักปฏิบัติธรรมก็มากก็มีก็ต้องขอบคุณนะพวกเราชาว บ, บ้านใหม่ไทยเจริญนะแล้วก็บ้านอื่นด้วยนะที่ช่วยเลี้ยงนะโดยพอเวลาบิณฑบาตนะั้นไม่จะเป็นบ้านบางแคบ้านกุดงงบ้านธรามผายแต่ที่สำคัญคือบ้านใหม่นี่แหละนะที่ได้ช่วยดูแลพระ อำนวยความสะดวกให้กับทางนักปฏิบัติไม่ใช่แต่เฉพาะการให้อาหารหรือปัจจัยเสีเท่านั้นนะช่วยทําความสะอาดวัดหรือว่าช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับนักปฏิบัติให้สามารถจะทําบุญทํากุศลทําความดีจเจริญภาวนาได้ตลอดทั้งพรรษานะก็ต้องขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นพ่อออกแม่ออกนะหรือว่าเด็กๆนะก็ช่วยกันนะดูแลรักษา อำนวยความสะดวกแล้วก็ ถ, ถวายปัจจัยรวมทั้งทยทานที่มาถวายในวันนี้นะก็ต้องขอบคุณนะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความนะเอื้อเฟื้อความเมตตานะจากพวกเราสืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นพันศาณาหรือพันศาโน้นนะก็ขอให้ช่วยกันดูแลถึงแม้ว่าหลวงพ่อคำเขียนของเรานะจะไม่อยู่แล้วแต่ว่า ก็ยังมีพระนะที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากเรานะเพื่อเชื่ได้เป็นการส่งเสริมรศาสนาเป็นการสถาปนาธรรมะให้เจริญงอกงามขึ้นในใจเพื่อให้บ้านเรานะก็เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองถึงน่้จะเป็นบ้านเล็กๆไม่ร่ำรวยนะแต่ว่าก็สามารถจะเป็นที่ที่ใครก็อยากจะมาเพื่อสัมผัสความสสดความเย็นใจจากธรรมชาติและจากธรรมะ รวมทั้งจากความเมตตากรุณานะในใจของพวกเราทุกคนนะอีกอันนึงที่อยากประกาศคือว่านะปีนี้กรถินน ะ, ะวันที่11นะวัดป่าสุโกโตวันที่11ถ้าอยากไปช่วยวัดปุกทองก็วันที่10นะส่วนภูหลงที่วันที่12บนะสวัดพี่น้องนะก็เดี๋ยวนี้ก็จะทอดกรถินกันใกล้ๆ ก, ก, กันนะก็มาไปมาร่วมได้ตามตามความสะดวกตามกําลังศรัทธาท้ายที่สุดนี้ก็ อ้างอุคุนภาษีรัตนตรัยตลอดทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้บําเพ็ญทั้งแหนพันศาและตลอดไปจงอํานวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขพะพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีงามให้เจริญด้วยศีลให้เจริญด้วยทานให้มั่นคงในภาวนาเพื่อให้ปัญญาเจริญงอกงามเพื่อให้ธรรมะได้เบ่งบานในใจ รักษาชีวิตของเราให้มีความสุขความเจริญให้อยู่ยันเป็นสุขขอให้กุศลธรรมที่บำเพ็ญ น, นั้นอํานวยให้เกิดปัญญาจนสามารถพาใจของเราออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทินสาธุ